ที่ภูหลงเนี่ยทุกวันพระอาจะมีการนิ ม, มนต์ให้พระในวัดเนี่ยสลับกันแสดงธรรมนะเวลาญาติโยมมาทำบุญนะเมื่อวานนี้ก็มีพระนวักกะรูปหนึ่งนะท่านก็มาแสดงธรรม เป็นครั้งแรกของท่านก็ว่าได้นะสิ่งที่ท่านเล่านี่ก็เป็นการเอาประสบการณ์ชีวิตสมัยที่เป็นค า, ารวาสมาเล่าสู่กันฟังตลอด30นาทีนี่ญาติโยมก็ตั้งใจกันฟังมากนะเงียบกริบเลยเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความพัดพลาคบางคนนี่ฟังแล้วก็น้ำตาซึมนะแต่ทุกคนนะก็เห็นพ้องว่ามันเป็นการบรรยายที่นะให้ข้อคิดที่ดีมากให้ข้อคิดว่าเมื่อเราต้องเจอกับความพัดพลาคสูญเสียอันยิ่งใหญ่คือสูญเสียคนรักนี่ เราจะรับมืออย่างไรล้วจะผ่านมันไปได้อย่างไรอตอนท้ายเนี่ยภารลุคนี้ท่านก็บอกว่าโชคดีนะโชคดีที่ความทุกข์ครั้งนี้นะมันได้พาให้เราเราในที่นี้คือนะทั้งคู่นะสามีภรรยาได้มาพบกับสิ่งดีงามของชีวิต สำหรับหลายคนเนี่ยเวลาเจอความพัดพรากสูญเสียมันความตู้นี้มันก็นำดิ่งชีวิตให้จมยอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจความขับแค้นแต่ว่าสำหรับภาพรูปนี้เราก็กลับภรรยาที่ลงลับเนี่ยมันกลับทำให้ ได้พบง่ายงามนะของชีวิตก็คิดว่าน่าจะนะมาเล่าเรื่องย่อๆให้ฟังน ะ, ะจะขอพูดใช้คําว่าเขานะแทนเรื่องราวที่ภาพรูปนี้นะได้เล่าเกี่ยวกับตัวเองเพราะว่าตอนที่ท่านเล่านี้ก็รูแล้วแต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสมัยที่ท่านเป็นคารวาส เรื่องเดิมเนี่ยนะเขาก็เป็นคนที่ชอบหนีปัญหาตอนอายุสา3สิบสามาสิบสองเนี่ยเขามีแฟนแล้วก็มีปัญหาขัดแย้งกันเขาก็ใช้วิธีหนีปัญหาไม่พูดไม่คุยด้วยแฟนนี่ก็พยายามที่จะมาเคลีย เขาก็หนีจนกระทั่งแฟนนี่ต้องเรียกว่าล็อกคอเนี่มาคุยคุยกันบนรถก็ไม่อยากฟังแต่ก็จำใจต้องฟังเขาคุยกันไม่จบนะก็นัดมาคุยกันใหม่คราวนี้เขาก็ใช้วิธีนกินยากล่อมประสาทไปเลยมิใจเบอร์เอจะได้ไม่ต้องไปรับรู้นะปัญหา ที่มันจะรบหัวรกใจก็ยิ่งทำให้ความขัดแย้งลุกลามมากขึ้นพรฝ่ายหนึ่งผู้ดีฝ่ายหนึ่งก็เบเบรเหมือนกับเป็นหินเนี่ยสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจนะแยกทางไอ้ตอนที่แยกทางนี่ก็ไม่ได้บอกเองนะให้แม่ไปบอกเรียกว่าหนีปัญหาซ้อนหนีปัญหานะคือไม่ครบล้วผู้หญิงคนนี้แต่ว่าก็ไม่กล้าบอกเอง ไปให้แม่นี่บอกใหแล้วต่อมานี่เนะปีผ่านไปนะก็ได้ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็รักกันมากคงจะมีอะไรที่ตรงกันหลายอย่างก็ถือว่าเป็นเป็นคู่รักที่สมพงกันก็ว่าได้แล้วต่างคนก็ตัดสินใจไปทำธุรกิจ ส่วนตัวธุรกิจก็ไปได้ดีนะไปโรงแรมเล็กๆอยู่ริมแม่น้ําอันนี้เขาไม่ได้พูดนะแต่อาตมาพูดเองเพราะว่าพอรู้จักกับคู่นี้นะก่อนที่ฝ่ายหนึ่งจะบวชหรือฝายนึงก็จะพัดพราดก็ไปได้ดีนะธุรกิจก็ไปได้ดีแต่แล้ววันนึงเนี่ย ฝ่ายหญิงนี่ก็เกิดปวดหัวอย่างรุนแรงขึ้นมาไปตรวจไปสแกนสมองก็พบว่าเป็นมะเร็งแล้วก็ลามไปที่ปอดแล้วสแสดงว่าเป็นมะเร็งระยะที่สี่เอาความฝันพังทลายเลยนะนึกว่าจะใช้ชีวิต ร, ร่วมกันจะไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันพอเจอแบบนี้เข้าเขาก็งงเลยนะมึนคิดอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ถูก ปกติเนี่ยนะเขาก็เป็นคนที่หนีปัญหาเจอปัญหาแล้วก็หนีแต่คนนี้เขาบอกว่าปัญหาเนี่ยนะมันใหญ่เกินกว่าจะหนีแล้วก็หนักเกินกว่าจะผักพารับไปให้ใครจะกดเอาไว้ด้วยยานะด้วยเหล้าทุงอย่างที่เคยทำมันก็ไม่ได้ก็เมื่อ น, นิ้มหรือเพนไม่ได้ก็มีอย่างเดียวที่เขาคิดออกคือสู้ก็คือ จะร่วมหัวจมท้ายกับ <c oughs> กับแฟนคนนี้ <c oughs> อย่างแรกที่เขาคิดต่ อ, อคือไปขอแต่งงานนะขอแต่งงานเพื่อที่จะแสดงว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรกับเธอเนี่ยเขาก็จะอยู่เคียงบ่าเคียงไหลจะสู้ด้วยกันอันนี้ก็เรียกเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งนะที่สำคัญนะของของเขา แต่ว่าความคีดที่จะสู้เนี่ยสู้กับมะเร็งเนี่ยมันก็ทำให้เขาแย่ลงเพราะว่ามะเร็งมันระยะที่สี่แล้วนะที่เกิดกับแฟนสาวรหรือภรรยาเนี่ยเขาก็เครียดมากแล้วกลัวด้วยทุกวันเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาจะมีแต่ความกลัวกลัวว่าภรรยาจะเร็ว สุขภาพแย่ลงแล้วก็จากไปวันวันหนึ่งนี่ไม่อยากจะไม่อยากจะตื่นเลยนะอยากจะนอนทุ่มหนึ่งก็บอกภรรยาเข้านอนได้แล้วไม่ใช่เพราะต้องการรักสุขภาพนะแต่เพราะว่ามันอยู่กับความจริงไม่ไหวหลับดีกว่านะจะได้ไม่ต้องไปรับรู้ความจริงก็ท่อยู่ อยู่พักใหญ่ไนดะ้จนกระทั่งไม่ไหวสุขภาพจิตย่ำแย่มันทุกข์สุดขีดเลยด้านในญาณที่มันทุกข์นะตกต่ําเนี่ ย, ตต เ, ยเขาบอกว่าแง่งงามของความทุกข์คือ่ามันทําให้เราเนี่ยต้องหันมาพึ่งตนเองนะเพราะว่าทุกแบบนี้นี่จะไปหันหน้าหาใครจะไปพึ่งพาใครก็ไม่ได้นอกจากพึ่งตัวเอง แล้วก็เพราะว่ามันมีตัวช่วยหนึ่งนะบอกอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละหรือว่าอยู่กับตัวเรานี่แหละคือลมหายใจลมหายใจนี่มันทำให้ได้สตินะแล้วก็สตินะที่ที่ช่วยเข้าได้มากนะ่นคือสติของภรรยานะเพราะว่าเธอนิ่นงมากนะ ตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่เป็นมะเร็งนี่ก็ไม่ได้โวยวายไม่ได้ตีโพยตีพายสงบในความนิ่งหรือสติเนี่ยของฝ่ายหญิงนี่ก็ทาให้เขาเนี่ยนะเริ่มจะได้สติขึ้นมาเราก็เริ่มพิจารณาไข้ควรถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็ถามตัวเองว่าเขากลัวมะเร็งหรือเปล่า มะเร็งที่เกิดกับภรรยาไอ้มะเร็งเป็นความทุกข์หรือเปล่าเขาบอกเขาบว่ามะเร็งนี่มันจริงๆเขาไม่มีปัญหาเลยนะแต่สิ่งที่เป็นปัญหาที่เขากลัวก็คือสิ่งที่มันมาพร้อมกับมะเร็งหรือตามมาพร้อมกับมะเร็งก็คือความตายแต่เขามาค่อยคุยอีกทีมะเร็งกับความตายนี่มันเป็นทุกข์หรือเปล่าพิจารณาไปก็พบว่ามันคือความจริงต่างหา มันคือความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นมันเป็นความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เหมือนกับพระที่ขึ้นทางที่ตวนออกแล้วก็ตกทางที่ตวนตกพอเขาควรวันนี้เข้าก็พบว่าในเมื่อมะเร็งและความตายเป็นความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นแล้วเขาควรจะปฏิเสธและการที่เขาเนี่ยปฏิเสธมันเนี่ยมันฉลาดลหรือ การที่าปฏิเสธมะเร็งปฏิเสธความตายพยายามต่อสู้ผลักสมันเนี่ยมันฉลาดแล้วหรือตรงนี้ ท, าท่านทำไมเขาเนี่ยยอมรับยอมรับมะเร็งของแฟนสาวยอมรับความตายที่จะเกิดขึ้นว่านี่คือความจริงแล้วแล้วเขาก็เลยเห็นต่อไปว่าเนี่ยในเมื่อความตายมันคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเป็นความจริงที่หนีไม่พ้น แลวความตายมันบอกอะไรเขาก็พวกความตายก็บอกว่าเวลามันเหลือน้อยแล้วนะชีวิตนี้น้อยนิดชีวิตนี้สั้นนักมีอะไรที่อยากจะทำก็รีบทำซะอะไรที่ไม่ได้ทำแล้วเสียใจก็อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปต้องรีบทำทำกับใครก็ทำกับภรรยาเนี่ยนะ ดังเ้าเลยบอกว่านี้พอคิดได้วันนี้เขาก็เลยบอกว่าสิ่งแรกที่เขาทำนะก็คือบอกรักเธอบอกรักเธอเพราะว่าถ้าไม่บอกวันนี้จะมีโอกาสบอกวันหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้และอย่างที่2ก็คือว่าปรดีบัตรรับใช้เธอในธุรกิจเนี่ยที่ที่ทำนี่ก็มีเพื่อน มีคนไว้ใจนะช่วยรับนะรับถ่ายเทไปถ่ายโอนไปก็ทำให้เขามีเวลาดูแลภรรยาเต็มที่่างสิ่งสำคัญคือข้อที่3นะคือฟังนะฟังแฟนสาวมากขึ้นฟังทุกอย่างนะทั้งความฝันทั้งความวิตกกังวล แล้วก็ความมุ่งมากปรารถนาแล้วก็เพราว่าพอฟังแล้วนี่นะมันมีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะในใจเขาจากเดิมที่เคยเห็นแฟนสาวเป็นคนจู้จี้ขี้บน่นพอฟังจริงๆแลเพราะว่าเธอไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นนะเธอเพียงแต่อยากจะให้เขาเป็นคนที่มีระเบียบวินัย อยากจะให้เขารู้จักพึ่งพาตัวเองอเป็นความปรารถนาดีมากกว่าเป็นความปรารถนาดีต่อตัวเขาเนี่ยก็เริ่มเห็นเธอเนในมุมที่มันงดงามมากขึ้นแล้วก็เพราะว่าจริงเธอก็ไม่ได้เป็นคนที่อ่อนแอใจไม่สู้นะที่จริงเป็นคนกล้าหาญแต่ที่ทำางนันก็เพื่อเขานั่นเองเพราะว่าถ้าเธอไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ได้ต้องทาอะไรเองเป็น พอเห็นแบบนี้เขานี้นะมันเกิดความความประทับใจมากขึ้นแล้วกเกิดความรักนะที่ลึกซึ้งแล้วก็กลายเป็นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยะมันกลับกระชับนั่นแล้วก็ดีขึ้นก็กลายเป็นว่าทั้งทังที่ฝ่ายหนึ่งป่วยหนักแต่ว่าก็ต่างคนต่างก็อิ่มเอมนะอยู่กันมีความสุขกับชีวิต นะกับสภาพที่เป็นอยู่มีความสุขมากขึ้นไม่มีประโยชน์นี่ที่ที่ออกมานะจากการสนทนานนะของทั้งสองคนที่เขารลอยฟังคือว่าประโยชน์ที่ว่าเนี่ยถ้าไม่เจอทุกถ้าไม่เจอมะเร็งเราจะมีความสุขอย่างวันนี้ไหมนะคำ น, นี้มันมัน มันเป็นคําที่มีความหมายมากนะถ้าไม่มีความทุกข์หรือว่าไม่เจอมะเร็งเนี่ยเราจะมีความสุขอย่างวันนี้ไหมบางคนหลายคนเนี่ยนะพอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นมะเร็งเนี่ยนะก็จะนะเรียกว่าร้อนรุ่มจมดิ่งอยู่ในความทุกขนะ์แทนที่จะทําดีต่อกันนะก็ บางทีระบายความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลใส่กันก็มีแต่ว่าคูณนี้นี่ไอความทุกข์นี่มันกลับทำให้ความสามัญกระชับนั่นขึ้นแล้วก็มีความสุขนะมากขึ้นตอนหลังเนี่ยฝ่ายภรรยาก็อาการกระทุกขกระุกหนักนะจนกระทั่งพูดไม่ได้แต่เขาก็บอกว่าโชคดีนะ ที่เราได้บอกรักกันขณะที่ยังพูดได้ขณะที่หลายคนเนี่ยหลายคู่ท่นานั้งที่พูดกันได้สื่อสารกันได้แต่ว่านะศาสตร์นะศาสตร์อารมณ์ใส่กันกลด่าใส่กันนะระบายความเครียดใส่กันนะการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพูดไม่ได้นี่นะแทนที่เขาจะทุกข์นะโอ้ทำยังไงดีนะ แฟนพูดไม่ได้แล้วเขากับบอกว่าโชคดีนะที่เราได้บอกรักกันขณะที่ยังพูดได้ตอนนี้พูดไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ตกค้างแล้วก็ดูแลกันอย่างดีนะแล้วเขาก็พูดว่าเนี่ยนะขอบคุณความทุกข์นะที่มาทำให้ที่พาให้เราเนี่ยได้มาพบ กับความลึกซึ้งและความบริสุทธิ์ของความรักเขาบอกเนี่ยขอบคุณความทุกข์นะที่ทำให้เขาได้มาพบความรักความรักความเมตตาต่อภรรยาเป็นความรักแบบไม่มีเงื่อนไขคือพร้อมทำได้ทุกอย่างเขาก็เล่าไปถึงเรื่องการการทำให้ภรรยานี่ซึ่งท้องผูกเนี่ยมัน ถ่ายออกมาดีใจที่เห็นขี้นะอยู่ในโถส้วมเขอบอกว่าเนี่ยแค่เห็นขี้ของแฟนสาวนี่ก็มีความสุขแล้วแล้วอย่างอื่นมันจะทุกข์ได้ยังไงนะมันก็มีแต่ความสุขแต่ละวันแตลอลผ่านไปยังมีความสุขนะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีความรักความจริงใจให้กับกันและกันเขอบอกว่าเนี่ยไอ้ความถ้าไม่เป็นมะเร็งนะ ถ้าฝ่ายที่ไม่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาคงจะไม่พบกับความรักที่บริสุทธิ์นะไม่ใช่ความรักกับภรรยาเท่านั้นนะแต่ความรักตัวเองด้วยพอรักภรรยามีเมตากับเขามันก็เกิดความรักตัวเองให้อาภัยตัวเองแต่ก่อนชอบนะชอบซ้าเติมตัวเองทําอะไรผิดก็นะซ้าเติมตัวเองแต่ตอนหลังก็ให้อาภัยได้อันนี้ก็น่าสนใจนะ คนเราเนี่ยถ้าเรามีเมตตาต่อผู้อื่นอย่างจริงใจเนี่ยในการที่จะรักตัวเองก็มันก็ตามมาแล้วพอรักตัวเองมัน ก, ก็รักคนอื่นด้วยนะเพราะว่าเนี่ยคนรอบข้างเจอผู้คนนะช่วงนั้นมันก็มีการเป็นช่วงที่การเมืองมันรุนแรงนะก็คือเมื่อสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยคนเกลียดชังกันรอบตัวมีแต่คนเกลียดกันนะแต่ว่าเขากับมีความรักให้คนเหล่านั้น อันนี้ก็น่าสนใจนะความทุกข์นะความทุกข์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะดึงเอาด้านลบของผู้คนออกมาแต่ว่าไอ้ความทุกข์นี่สหรับสามีภรรยาคูน่นี่มันดึงเอาด้านบวกออกมาคือดึงเอาความเมตตาว่าในคนเราเนี่ยนนมันจะเกลียกันไปทำไมในเมื่อสุดท้ายทุกคนก็ต้องออกจากโลกนี้ประตูเดียวกันคือความตาย ซึ่งแค่นี้มันก็ทุกพออยู่แล้ ว, ลวจะเกียดกันไปทำไมก็กลายเป็นว่าเนี่ยขณะที่ผู้คนเนี่ยเกียดชังกันนะเพราะเรื่องการเมืองหรือความเห็ที่แตกต่างนี่ก็กลับมีความร้ายคนเหล่านั้นคนรอบข้างทั้งที่เนี่ยความทุกเนี่ยมันก็รุนแรงนะแล้วก็ลุกลามมากขึ้นสุดท้ายก็ภรรยาก็จากไปแต่ว่า มันได้ทิ้งสิ่งดีๆให้กับเขาเนี่ยคือว่าก็เป็นธรรมะแนะนําทางให้กับเขาที่เราที่เราลงนี้ให้ฟังก็เพราะว่าเขาสามารถที่จะก้าวข้ามความทุกข์ได้สามารถที่จะหาประโยชน์จากความทุกข์ทั้งที่เป็นความทุกข์ที่เรียกว่าสาหัสสากันมาก จะกลับบอกว่าขอบคุณนะขอบคุณความทุกข์ที่ทำให้ฉันได้พบความรักขอบคุณความทุกข์ที่ทำให้เราได้พบสิ่งดีงามของชีวิตนะอันนี้เพราะอะไรนะเพราะริ่มตัวจากการที่ยอมรับความจริงตอนแรกนี้เขาปฏิเสธนะจากปฏิเสธก็กลายเป็นการต่อสู้ ต่อสู้ผักใสแต่ว่าต่อสู้ผักใส่ ย, ยังไงมันก็ยิ่งมีแต่ความปดถูความแค้นความโกรธความเศร้าแต่พอเริ่มยอมรับมันได้โอ้มันคือความจริงพอยอมรับมันได้ใจก็สงบแล้วก็เห็นต่อไปว่ามันบอกอะไรหลายอย่างนะว่าตอนนี้เวลาเหลือน้อยแล้วนะต้องรีบทําความดี ซำจริงดีๆให้ให้กับคนรักหรือว่าทำความดี้ใหกับกันและกันหลายคนหลายคู่เนี่ยนะพลาดโอกาสที่จะเห็นตรงนี้นะเพราะว่าเอาแต่คร่ำครวญ น, นะตีโพยตีพายกลดาชะตากรรมทำไมต้องเป็นชั้นทาไมต้องเป็นชั้นบางทีก็คิดถึงอนาคตที่เลวร้ายก็เลยได้เลยไม่ได้ หันมาตนหนักว่าไอ้เวลาปัจจุบันนี่แหละนะมันเป็ น, นเวลาที่สาคัญละมันเป็นโอกาสทองนาทีทองซึ่งจะเหลือน้อยลงทุกทีนะเป็นโอกาสทองเป็นนาทีทองที่จะต้องทําความดีให้กับกันและกันให้เขาเห็นตรงนี้ไเห็นตรงนี้ก็เลยนะเวลาเหลือน้อยแล้วนะแฟนสาวเนี่ย เพราะฉะนั้นสิ่งดีๆที่ควรทำก็ทำซะเริ่มแต่การบอกรักปรนนิบัตริรับใช้แล้วก็ฟังเขาแล้วมันก็ทำให้เกิดความสุขขึ้นมาเพราะว่าอพอได้ทำสิ่งดีๆ ด, ด้วยการมีเมตตาต่อกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดนะมีความปิติมีความอิ่มเองขึ้นมาความทุกข์เนี่ยถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นนะวางใจไม่ถูกเนี่ย อย่างที่บอกนะมันก็มีแต่จะผักเราให้จมดิ่งลงไปนะในความโศกความเศร้าวความคับแค้นสุดท้ายก็ระบายความทุกข์ระบายความเครียดใส่กันอันนี้เราคงเห็นเยอะนะสามีภรรยานะทั้งที่ฝ่ายหนึ่งป่วยแล้วก็ควรที่จะดูแล ก, กันนะทั้งกายและใจแต่บางทีก็ เนื่องจากความเครียดก็ต่อว่ามั่งตัดพ่อมัง่งหรือว่าบางทีก็ดา่าบางรายก็ลงมือทุบตีนะเพราะว่าความเครียดมันทำให้ลืมตัวนะพอลืมตัวแล้วทำอะไรก็ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ายิ่งคนเรายิ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยิ่งทุกข์นะมันยิ่งต้องช่วยกันนะให้ออกจากความทุกข์ ยิ่งเป็นยิ่งถือว่าเป็นเพื่อนทุกเ์แล้วยิ่งต้องมีเมตตาต่อกันที่เขาพูดไวเ้เนี่ยประโยช์เนี่ยสำคัญมากนะถ้าเราไม่เจอมะเร็งเราไม่เจอทุกข์นี่เราจะมีความสุขอย่างวันนี้ไหมจริงๆเนี่ยนะเราไม่ต้องไม่ควรจะรอให้ให้มีความทุกข์ก่อนนะนะถึงจะ มีความสุขหรือว่าทำดีต่อกันแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> ไอตอนที่ไม่ทุกเนี่ยนะมันก็หลงลืมนะประมาทหรือว่าคิดถึงแต่ตัวเองแต่ก็ยังดีนะว่าพอมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยตั้งหลักได้นะหันมาทำดีกับกันหันมารักกันมีคนป่วยหลายคนนาะที่ เขาเห็นประโยชน์ของความทุกข์นะเห็นข้อดีของความทุกข์อย่างที่เคยเล่าเนี่ยผู้หญิงที่ชื่อแพร์เนี่ยที่เป็นโรค ก, กล้ามเนื้ออักเสบกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ปลายประสาทจกนกระทั่งถ้าจะเป็นคนพิการคนพิการยังดีนะถึงแม้ว่าขยื่งขยับอะไรไม่ได้เนี่ยมือเท้าแต่ว่าหลายคนพูดได้หัวใจ ปอดก็ทำงานได้ดีแต่โลกนี้เนี่ยแม้แต่ปอดนี่ก็ทำงานได้แค่ส0อร์ซนจะพูดจัจาก็ลำบากแต่เขาก็ยังสามารถที่จะใช้มือที่อยังขยับได้เล็กน้อยนี่เขียนนิยายนะขายเป็นรายได้ให้กับครอบครัวเป็นเสาหลักเลยละพอน้องต้องเรียนหนังสือแม่ก็ตกงานก็พูดไปเดียวบอกว่าความทุกข์เนี่ย มันให้อะไรกับเรามากกว่าความสุขนะความสุขทำให้เราฟุ้งทำให้ร่องรอยแต่ความทุกข์ทำให้เราอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับความจริงซึ่งดีกับการฟุ้งรองรอยมากนะที่เขาวอเนี่ยอยู่กับความจริงเนี่ยก็คือมันทำให้เห็นเลย น, นะว่าความจริงนะของชีวิตเนี่ยเป็นอย่างไรอย่างที่ภนะารุปุ่เนี่พอพอมองว่า ไอ้มะเร็งและความตายเนี่ยมันคือความจริงก็ทำให้เห็นต่อไปว่าเวลาเหลือน้อยแล้วนะนชีวิตนี้สั้นนักเนี่ยต้องรีบทาความดีแล้วหรือผู้ใหญ่เนี่ยคือว่าต้องนะพยายามนะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยในการมีความสุขร่วมกันหลายคนเนี่ย แม่ตอนหนักนะว่าเวลาเหลือน้อยก็ใช้เวลาให้หมดไปกับความเศร้าความโกรธคนเราถ้าตอนหนักว่าเวลาเราเหลือน้อยลงไปเนี่ยควรจะใช้เวลาเนี่ยที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่าอย่างน้อยเนี่ยไม่ใช่ปล่อยให้หมดไปกับความโกรธความเศร้าความคับแค้นความเครียดความวิตกกังวลนะพวกนี้เลยว่าใช้เวลายางไม่ไ ม, ไม่ไม่มีคุณค่านะ ปอเวลาทิ้งไป เ, เปล่าๆยิ่งเวลาเหลือน้อยยิ่งต้องใช้เวลานี้ทําความดีหรือว่าเก็บเกี่ยวความสุขนะและความสุขมันก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่อยู่รอบตัวนั่นแหละอยู่อยู่ด้วยการทําความเกิดจากการทําความดีร่วมกันนะพอทําความดีร่วมกันมีเมตตาต่อกันมันก็เกิดความสุขขึ้นแล้วถึงเวลาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะจากไปเนี่ยมันก็ยอมรับได้เพราะว่าได้ใช้เวลาที่มีคุณค่าร่วมกัน ลูกที่ดูแลพ่อแม่นะีมานานเป็นปีถึงเวลาพ่อแม่จะไปก็ไม่ยือ้อนะไม่บอกหมอว่าช่วยช่วยยื้อนะเพราะว่าเห็นแก่พ่อแม่เพราะรู้ว่าถ้ายื้อแล้วนี่พ่อแม่นี่จะทรมานก็ให้ท่านไปอย่างสงบไปตามธรรมชาติทำใจได้เพราะว่าไอตอนที่เขา ยังอยู่สุขสบายหรือยังไม่ตายนี่ก็ทำความดีให้กับเขาพอทำความดีเต็มที่แล้วเนี่ยก็ยอมรับการจากไปของอีกฝ่ายนึงได้แต่ที่ยอมรับกันไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ทำความดีไม่ได้ใช้เวลาที่มีอยู่ให้มันเกิดประโยชน์ฝ่ายหนึ่งอาจจะเศร้าโศกเสียใจหรือไม่ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับกันและกัน อย่างลูกบางคนเนี่ยไม่ค่อยได้เวลาอยู่กับพ่อแม่พอพ่อแม่ากไปนี่ทำใจไม่ได้ขอร้องให้หมอช่วยยื้อหน่อยเจาะคอใส่ท่อปั๊มหัวใจใช้ยากระตุ้นความดันทำทุกอย่างเพื่อให้พ่ออยู่กับตัวเองนานที่สุดถามว่าทำเพื่อใครไม่ทำเพื่อพ่อแม่ทำเพื่อตัวเองพ่ะยังทำใจไม่ได้ที่เขาจะไปที่ทาใจไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้เขาอยู่ ไม่ได้ทำอะไรเข้ามากเท่าไหร่อาจาจะไปเพลินอยู่กับการทำงานหรือว่าไปสนุกสนานนะท่าคนเราถ้าทำความดีให้กับกันและกันอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยถึงเวลาฝ่ายใด้แฟนจะไปมันก็ทำใจได้ยอมรับได้มากขึ้นเพราะไม่มีอะไรที่ต้องติดค้างไม่มไรต้องเสียใจว่าไม่ได้ทำอันนี้เป็นตัวอย่างที่มาเล่าให้ฟังเพื่อเห็นว่าเนี่ย ไอ้ความทุกเนี่ยนะมันก็สามารถจะนําสิ่งดีๆมาให้กับชีวิตได้อย่างกรณีนะสามีภรรยาคู่เนี่ยความทุกมันก็ทําให้เขาได้มาใกล้ชิดกันมากขึ้นมีความรักกันมากขึ้นแล้วก็มีความจริงใจและสามารถจะมีความสุขร่วมกันได้ทั้งนั่งที่นะความทุกข์กายนี่มันก็ มันก็ลุกลามไปทุกขณะอันนี้ก็เรียกว่ารู้จักนะใช้ประโยชน์จากความทุกข์นะหรือว่าหาด้านดีของมันเออ้ามเดนยอเพื่อนท่านี้นะกราบพร